ข้ อ, ขอกรรมวโรเศวิธีหน้าว่าห้าสิบนะห้าสิบหกทิสุภูประสงค์จะให้สร้างหุดีที่ไม่มีเ จ, จ้าของเจ้าผ้าจอบจงเพื่อตนด้วยอุปกรณ์ที่ตนขอมาเองเพิ่ให้สร้างให้ได้ขนาดคำที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นคำแสดงขนาดของปุติ น, นะคือด้านยาวสี่สองคืบพระสุคต น่านกว้างเจ็บขึ้นและสุดพอดโดยวัดน่านในเึงนิมนต์พิจูดทั้งหลายมาเพื่อแสดงพื้นที่สร้างทยู่ดีพิจุดเหล่านะั้นเพงแสดงพื้นที่ไม่มีการเบียนเบียนสัตว์เกที่เขาอยู่ประจําหรือไม่มีจูบเบียนเบียนหนักสัตว์ร้ายหรืออยู่ใกล้สถานที่เพาะปลกทำเยื้อพือเป็นต้น ซึ่งเป็น ส, สถานที่ที่มีคนทุกข้างมาจองไปมาและต้องเป็นที่มีบริเวณรอบๆเหลืออยู่คอเคียรรอบได้ถ้าว่าทุกที่สุขถึงให้สร้างปุ่นีดรื่อุปกรณ์ที่ตนขอมาเองในพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนเปลี่ยนสับและไม่มีบริเวณรอบๆเหลืออยู่หรือไม่มีมคนที่สุขทั้งหลาย มาเพื่อแสดงพื้นที่หรือสร้างสุดิยไสยเกินขนาดที่กําหนดต้องอันบัตสังคาพิเศษความจริงในข้อเนี่ยนะมีอันบัตงานพิเศษอีกสองข้อสองตัวนะครับมีอันทุกข์กอีกสองตัวตอนดูคำสืบตองตอนท้ายที่อ่านมาเลเซียนะไม่ได้ให้สงแสดงที่ให้ครับเป็นอันบัตงานพิเศษจุนทมพุทติใหญ่เกินประมานี่ก็เป็นงานพิเศษจุน ถ้าทําผิดแค่กับของเด็กก็เป็นตัวเรีย น, นะครับทำผิดทั้งสองคนก็เป็นทั้งสองตัวครั บ, ส, บะะส่วนไปนั่นนั้นทําในพื้นที่ที่มีการเบียดเบียนสักจะเป็นอาบาับัตรทุ่โกรธและตอนที่ที่ไม่มีบริเวณรอบ ก, ก็จะเป็นแบบตกกบ <c oughs> แล้วก็ดูว่าผิดกี่กีนน่กรณีบ้าง น, น, น, นะแล้วจะตัอกอับัตรามนั้นนะครับถึงมาที่ บ, าบ้านข้างบอกว่าผู้ประสงค์ใช้สร้างพอดีที่ไม่มีเจ้าของะครับ ถ้าจะสร้างเองก็หล้ยแสนไม้เขาสร้างให้นะแต่ว่าไม่มีเจ้าพารนนะครับมีเจา้าพาร์นจะมาสร้างให้อด้วยการนะครับถ้าสติส่วนตัวด้วยนะถ้าเป็นสติสองอะไรนี่ไมเป็นนะครับสร้างทั้งสองสร้างอุปสรรคสางอุปสรรคก็ไม่สติสร้างของตนนี่ครับอด้วยอุปรกรณ์ที่ขอมาเองอุปรกรณ์ที่ขอมาเนี่ยไปขอคนไม่ใช่ยางไม่ใช่ตอนะอะไรก็ได้แต่ไม่ได้ขอว่าจสติ ข, ขอขออะไรงงานะ เข้ามาช่วยแรงงานวัตกรรมอย่างนี้ได้เขาจะรู้จุดสิ่งของถ้าว่าต้องทำให้ได้ขนาดด้านยา12คูเปอรสุขพน12คูเปอร์สุขพ้นนะเราก็วัดดู1คูได้ 7.5 เซนถ้า12คูจะได้เท่าไหร่แล้วก็ 7.5 คูณด้วย12จะได้9เมตร9เมตรขนาด9เมตร อันนี้นด้านยามให้วัดด้านนอกนะครับให้วัดข้างนอกใน่นะะด้านยาวสิบสองคุณผ้ชมพอนุงก้าวไมนะครับด้านในเจ็ดที่พุธพน์โดยวัดด้านในเจ็ดสิบห้าคูณเจ็ดเจ็ดห้าคูณเจ็ดห้าแมยี่สิบห้านะครับ ไอ้ด้านกว้างวนดด้านในนะด้านกว้างวัดด้านหนครับแต่ด้านยาวว่าด้านนอกครับอือห้าแม่ยี่สิบห้าหนึ่งก็ไม่ไม่กว้างใช่มกว้างมากนะอันนี้เนี่ยอันนี้มุกกระห่าเม่ยี่สิบห้ารับวอสนี้เกนห้าเมตรใช่มแต่ถ้าเนี่ยด้านนะครับเกินหมเกินกัเพราะ้าเมตรไม่กว้าง ไ็่กว่าล้วเล็นาหนึ่งนะครับข้ามมาข้ามมาข้ามมาขมาครับเกินกว่านี้แม้หน่อยหนึ่งก็ไม่ได้่อดีกว่านี้ตอดี่นังเส้นผมดูก็่ไหัมาไ่ด้อ้าวต่อไปอธิบมาอะนยอ๋อยสองแสดงที่เอาลักษณะกุตินครับ ลักษณะคุตติที่จะเป็นอาธบารณีที่นี่นะต้องเป็นคุตติที่มีการบอกฉาบนะครับไอ้รงฝ้าที่นั่นกับหลังคาเชื่อมติด ก, กันเลย mm hmm. ครับเราเห็นบ้างนดีนี่เขาทํำไหมครับไอ้ที่แบบว่าใช้หลังคาที่เขาจะบินฉาบนะหลังคากับฝาข้างบนเนี่ยติด ก, กันอันเดียวกันอย่างนี้ไม่โดนหรอครับสมัยนี้นนมันไม่ค่อยมีแล้วนะเขาียบอกฉาบฝากับหลังคาเนะี่ยสมัยนี้ก็มีแต่อะไร แต่นี้ซ้าบ้างที่บางบ้างอะไรบ้างใช่ไมัไม้ละแงบ้างนะแต่ราคาไม่เชี่ยงเลยแต่ที่ฉาไม่เชี่ยงเลยนี่หาใครับที่ปรตินขอาเยว่า่อมันไม่มลักษณะติดนั้นเ้าจริงก็ไม่ต้องอับเหมือนกันคือมันก็ทเกินครเนี่ยถ้าว่ามันเป็นทิมันเป็นนิ้วซ้าที่เป็นซ้ำครับเขาไม่ได้บอกใช่ครับ ออนั่นแหละเนี่ยถึงจะส่อ้อมรนะครับนาฟ้าบ้านตัดหลัคาตัดอะไรใช่ไหมผมก็คิว่านะครับถ้าลักษณะแบนี้มันจะดูดี้าอ่งชั้นใานปิับลองางเราถูกต้องเอาเอาหลังคาเมนกันครับถ้าบอกว่าแม่ปรสานะปลาเจ็ดชั้นนะครับแต่หลังคามุงด้วยย่าคาไม่ไดเชื่อมติดกันอันนั้นก็ไม่ไม่ชอบในข้อนี้ครับ อันนี้เราต้องยัดอยู่แต่ถ้าลักษณะนั้นนะครตอนก็ส่งแสดงเที่ยงก่อนไปขอจะส่งเลยนะครับให้มันคิดแสดงพื้ที่ให้ถ้าส่งจะมากระทั่งหมดก็ได้หรือถ้าจะส่งตัวแทนครั้งเดิมเหมือนการที่สร้างเสียงต้องไปให้ในหน้าปฏิญาติสถานที่แล้วเที่ยวเที่ยวขาให้ล่าเที่ยอะไรนะแล้วก็ไปบอกว่าเนี่ยตํางการทำตรงนี้นะครับจ้างที่ก็จะไปดู เวลาไปรู้ว่าต้องตรวจดูมันมีการเด่นในสเปนร่งหรือเปล่าถ้าเป็นที่อยู่สองพวกมดพวกผัวปุ่มแรงก็แงเร่งอยู่ประจํานั้นนะครับถ้าไปทางแถวนี้จะตายทำไมมันต้องมีการขุดทางอะไรก็จะ ไ, ไม่สร้างที่นั่นครับไม่สร้างที่นั่นหรือว่าอาจจะเป็นวัดศาลศาลที่ต้องการสร้างมันอยู่ใกล้กับไอ้ทางโวจังพวกเสือผู้สิงนะมันก็จะมาแถวนี้แหละครับอันนั้นก็อันตรายที่อันสรายก็ไม่ควรใส และก็สถานที่ที่มีการท้อปลูกนะครับใก่นาไก่เขี้ยวไก่หลายหลายอย่างนะตอนนี้ก็ไม่ใช่สรางที่หนำใจเพราะว่าคนจะพกผ้านะคนจะพกผ้าไป ม, มาผ้าก็จะไม่เียเวลาแบบนี้แล้วที่เดีย้างต้องไปที่ที่มีบริเวณ ร, รอบรอบเหนืออยู่พอที่ขับเกวียนเนี่ยจะไดินเวียนได้รอบเกวียนใช่ไหมมีครับไอรอนข้างเหมือนเอาไวนะ้ใน ร้อ้มื้านอกสา ม, มารถเวียนรอบไครับใช้ได้ น, นะถ้าเวียนรอบไม่ได้ก็าจะเวียนก็อตอกเนื้อตายอย่างเงี้ย <c oughs> น, นะครับก็ไม่ใช่ใชนะอันตรายกันไปครับไอ้บริเวณรอบเนี้อยูง่งไม่ไดางเห็นนะเอาพ้นที่ตอแม่กเขายไม่เก่ะครับอากื้นที่เด็กตองนที่ นี่นะถ้าทาสิกิกระยทงนะครับไปทำในที่มีการเบียเดเรียนสักต้นในที่ไม่มีบริเวณรอดนี้ก็โดนทุกกด น, นะสัมภทงไม่ได้สงสแสดงที่ให้ก็สังหาริเศษตัวหนึ่งสร้างปุจัยจกกนประมาณ ก, ก็สังหาริเศษจุ่มก็เนี่ยรูปนั้นก็ต้องไปขอสงนบนั่งตะียกับของงันชลีนะครับขอ้วก็สง ก็สงจัดไปทั้งหมดเลยก็ได้ถ้ามีสหานะถ้าว่าไม่มีสหาก็บอกเลยสมมติเล่นที่มาสักสอรูปก็ได้ให้ไปดูพื้นที่สร้างดูดิว่ามันสมควรขางสงวนรึไม่แล้วก็แล้วก็มาแทรกต้างรว่างนิยามเนี่ยนิยามนึงเนี่ย เกินขณะเกิดขณะครัอ๋อไอสาง ข, ข้อหลังเป็ น, น, ปนอะไรสิอาจารย์คการให้ส่งอะไรคือส่งตั้งไม่ส่วนอะไรเพราะมันการส่วอะไรครับคือแค่ไปดูที่ครับอ๋อยูที่เสร็จนะองหลังเนี่มาม า, มาส่วนมาทำการประหลงนะว่าอนุยากให้สร้างหรือิดที่นี่ไดนะครับประหงหรื อ, อว่ามีอนะไรนยาจะดิจิทิลกรรมก็ได้ ตันหาก็น่าเจ็บนะับง้นนโมสวิชีได้อธิบายข้อค้างนะครับสังขารที่เศ็ดสิั้าบทที่หกเกี่ยวกับที่สุสรุปิศุปิที่ไม่มีเจ้าภาสร้างโดยการไปขอรรยงานชาวบ้านมาช่วยสร้างนะครับนั้นก็ไม่ได้ส่งแสดงที่ให้ มม่ได้สงสัยที่ให้ด้วยสร้างเกินประมาณด้วยประมาณของกวินั่นก็คือความยาว 12, าา12ขึาา12้นุ0 0ขึ้นครับความกว้างก็7ขึ้น100ใช้แล้ว12ขอ้น1อ0ข้ากับ9เมตคูณ 5.25 เมอรขณะนี้นะถ้าคําใหญ่ตัว น, นี้แนมะ้เกมปลายขึ้นผมดีก็จะต้องแบบพาริเศษท น, นี้นะแล้วท่านก็ยังบอกว่า น, นะ สถานที่จะสร้างสาติเนี่ยนอกจากว่าให้สงแสดงที่ให้ได้ขนาดแล้วนะคร<อ>ับสถานที่นั้นต้องสถานที่ที่ไม่มีการเบี่ยงเบียงสัตหรือว่าไม่ถูสังว์เดียงเบี้ยถ้าเป็นสถานที่ที่มีการเบียงเบียงสัตว์คือเป็นที่อยู่ประจำของพวกมดพวกปัวพวกมแม่แม่ที่อาศัยอยู่ตนั้นเป็นที่อยู่ประจำเลยถ้าเป็นสร้าง ส, าสาตินะซันจะตายไปเยอะนะครับนี้ก็ไม่ควรสร้าง หรือว่าไม่มีสารเล็กแต่ว่ามีสารใหญ่ช <c oughs> ื่อะเบียดเบียดท่าได้เป็นที่อยู่ของพวกเสือาสิงครับชนักป่าห <c oughs> นีพวกชาอะไรนี่ครับเป็น ท, ที่ที่หากินประจําของมันครับที่อยู่หรือว่ที่หากินประจำแถวนี้ตอนนี้ก็าเขาไม่จั้เพราะว่าถูกเปลี่ยนเป็ น, ปนสนัตว์ แล้วก็สิ่ที่สร้างบริเวณนั้นต้องบริเวณที่มีพื้นที่โดยรอบสี่ขวบเกี่ยที่เขียนด้วยสองตุวเลขตัวสามารถจะวนรอบได้ไม่ใช่ว่ยินฐาเป็นเหวนะเกลี่ยมีรอบไม่ได้ตกตานี้ไม่ได้ครับนีถ้าเป็นว้านเรานะบ้านที่คุณอยู่ส่วนตัวอาจจะไม่ได้เพราะว่ามันเลียนไม่ได้ครับยี่สิบสี่ แน่แนได้ครัแน่ครับเหนียวหรังเหนียวเลยครับแต่นีกิส่วนตัวครับแล้วก็ไม่รักษณะกินที่ทันได้ที่พ่อเชี่ยช่างเลยเชี่ยช่างก็ลงเลยใช่ใช่ถ้าไม่มีชานล่ไม่มีานล่อ ความจริงสิครับตัวนี้เนี่ยจะมีอันบัตรธนาคศรสองตัวถุงตูกดสองตัวเพราะว่าแม่ส่งสัญที่ให้กับใหญ่เกินขนาต้องบัตรธนาคารสองตัวเลยแล้วก็ในที่มีอันตรายและมันมีชาร์ลลสองตัวนี้ต้องบัตรกถ้าเยง้างวาื่อไหร่ใช่ไหมอนี่ยแต่ละงราสวายสวานสองนะ ส่วนตัวเขาจะม like ีข้อหนึ่งครับถ้าขอให้ส่วนตัวน่ะทําให้เกินประมาณได้แต่ข้อกำหนที่เหลือต้องทำเหมือนกันครับต้องให้สอนแสดงที่ให้ตายไม่ได้ที่เราจะมาดูต้นเหตุของปัญหาแบบนี้นะครับว่ามาจากใครเป็นคนเริ่มต้นจะได้เข้าใจได้ชัดเจนที่มาดูต้อเหตุนี้มาจากที่สุทธิ์ชาลักคน ที่สุพวกนี้เราจะเจอหลายที่พระเกียรติวัากรรมก่อสร้างนะข้าจะชอบก่อสร้างเสมอชาวอารีโดยสมัยนั้นที่พระพาทพระเจ้ากระทำดีอยูหน้าท้าเวรวันอันเป็นสถานที่พราร์เยใน ก, นกนารแข่งขันของลัทเพอครั้งนั้นที่สุดทั้งหลายชาวอารีสร้างบุรีซึ่งมีเครื่รองอุปกรณ์อันต่ขอเขามาเองอันหาเจ้าของไม่ได้เป็นส่วนเฉพาะ ต, ตนเอง ใหญ่ไม่มีกําหนดคุณดีหล่านั้นจึงไม่สาเร็จเพราะว่าใหญ่นั้นกาหนดเลยเพราะต้องทํำเรื่องเธอต้องมีการบินวอนมีการขอเขาอยู่ร่ำไปว่าเรื่องไหนจงให้บุตรจงให้แรงบุตจงให้โภจงให้เปลี่ยนจงให้หนีจงให้ขวานจงให้ถึงจงให้จองจงให้สิ้นจงให้เขาวันไม่ไผ่ยญกามุตาไยากต้องยากาสาหมันดิน อย่างนี้เป็นต้นครับว่าขอเยอะเลยนะความจริงอ่ะไอท็มอุปกรณ์เหล่าน pues ok ี้นะครับถ้าเป็นรายงานคนเนี่ยเราขอได้เลยไม่ต้องลำบากเพราะแรงงานไม่ได้สุดถึงขอถึงแม้เขาไม่ใช่ยามไม่ใช่ตัวนาขอได้เลยนะไม่ผิดาครับแล้วก็อะไรมีดขวานจอบขึงอะไรวนั้นนะอันนั้นขอไล้ไม่ได้ถ้าเขาไม่ใช่ยามไม่ใช่ตัวนาได้แต่ขอยืนครับเพื่อได้ขอยืนนอกจากว่าเขาเป็นยานตัวนาเนี่ยขอได้ อันนี้เป็นป้องหน้าจริงขอเยอะกว่านี้นะครับประชาชนพิถูกน์เบียดเบียนด้วยการมีงอนด้วยการขอพอเองพิสูจน์ทั้งหลายแล้วหวานบ้านสะดุ้งบ้านหนีไปเสียบ้านพอถูกขอเยอะนะครับเนี่ยเดือดเดินเดือดไปเสียทางหนีบ้านเมืหน้าเสียบ้านจิดประตูเสียบ้านแม้พบแม่โคเข้าก็หนีสำคัญว่าพวกที่สูจน์ไม่เป็นแม่โคลตุยแดงนะเห็นมาแต่ไกลนึกว่าฆ่านะครับ แ่งนี้ไว้ <c oughs> ตอนกลัวก็จะมาขอนะเนี่ยคนขอจตัด้นเป็นที่หวาดกนะาา ล, าาลัวเหงากลัว น, นะครั้งนั้นท่านปั้มหายใจสั่งเพิ่งจำภาษาในในนครราชคืนครับแล้วก็ออกเดินทางมุ่งไปรักอารีเที่ยวจางด้ก็โดยลําดับถึงรักอารีทราบว่าท่านพังอยู่ที่อัาชร า, าวาเชดีนักราชานั้นท่านเวลาเชา้าเนี่ยท่าน้าค่าบิบบะครับในรักอารี B. ประชาชนเห็นท่านพระมาทางศาสนป่ามาแล้วก็กลัวนะเพราะเหมือนกับคือเห็นพระมาไม่ได้จะว่ารูปไหนก็แล้วแต่กลัวหมดเลยนะว่าจะดุ่งหลบนีจวเรี่ยงมันหน้าประตูบ้านขนานั้นเลยนะหลบเข้าไป็นบ้านติดประตูเลยนะออย่างง้เลยกลัวมากพอกลัาทาสนาท่านไปเทียวบินบาร์กลับเป็นบินบาร์ท่านจะเลยเรียนถามที่สุดทั้วยว่า ทั้งอาหาเมื่อก่อนรักอรีนีมีอาหารโบลิบูลหาบินดาบได้ง่ายวิสุสงของชีด้วยการถือสวั์บาทสวัสด์หาก็ทําได้ง่ายพราะชาวบ้านเขาลยแ่จต่าทานีครับพ่าบนดบก็หน้าหาทารเกยโบลิบูนไม่ออยากที่สุดมาบัดนี้รักอาราีรอาหารหาบินดาบได้งายเพราะคนก็ไม่ค่อยมาบาทเจอพาก็ไม่ได้ตัวเนาะนีกันนะ ทสืบสงจะครองชีพด้วยการสืบบาแสวงหาก็ทำไม่ได้ง่ายอะไรเป็นอะไรเป็นปัจจัยะอาวีนี้เป็นดังนี้วิสน์ั้นก็เราเรความหมายในสักปงทั้งหมดว่าเป็นอย่างไรครับทางนั้นเมื่อพระเจ้ากระทำอยู่ในเจนครลาสตามพระรูธาุลมและเสดจาริเบยนเมอนการจะไปสืบวัดอาวีเมื่อเสดจาริียโดยลาดับได้เสจถึงวัอาวีแล้ว ตาว่าพรองบ์บนท้าวอที่อคารวัจเจดีในรัฐอาราีนั้นจึงท่านชอบทานจะบตากชอบไปฝ้าหัวมังคมและนั่งนที่สวนสนข้างหนึ่งได้กาวเนื้อความนั้นจากพภาจ้าพระเจ้าก็ทงร้พระเก็มาทรงสองครับสองสองฐานรงติดเตียนไสู่ชารอาราีแลวก็บรรยัติจารถุนี้ขึ้นมาแต่ยังไม่บรรยัตินะครับ ก่อนที so earth, ่พระองค์จะมันอยากจัดหาบทนี้ขึ้นมาพระองค์ก็มีการแสดงนละทรงปรความคำมีการหาที่สมควรแก่เรื่องนั้นที่เหมาะสมแก่เรื่องนั้นแก่ที่จุดที่หนาและรับสั่งจากที่จุดที่หลายว่าอย่นี้พระองค์ก็จะเลเรื่องสองเรื่องครับเรื่องฤาษีสองพี่น้องนะแล้วก็เรื่องนกขุ่นใหญ่ดูก่อนที่จุดที่หนาเรื่องเคยมีมาแล้วฤาษีสองพี่น้องก็อาศัยในน้ำคงคาทานักอยู่ทั้งมีการหาน้าครา นัราชที่มีแก้มมณีที่ของชื่อแม่นิจันทนระ์ขึ้นจากแม่นะคงชาเข้าไปหาฤาษีพู่น้องอ่าครั้งแ ล, วล้ววงนด้วยถนดวงด้วยถนดเจ็ดรอาแร่รงพานอย่างอยู่วนสีสันี่นครัทีนี้เพราะความขวนนัชราชนั้นฤาษีคู่น้องจึงสูบหอมเศร้าหมองมีผิวพรรคล้ามีผิวหนังที่หนึ่งขึ้นมีตัวสะพรั่งด้วยเองฤาษีพู่นี้เขาถามเเป็นอะไร ทำงานดูเศอ้าซุบเผาเฝ้ามองอนี้ยะต้องนะครับฤๅษีพี่น้องก็เลยบอกว่าท่านพี่ไม่มีกาารฐนักาข า, านี้ขึ้นจากแน้ำพงคาเข้าม า, า, า, าหาข้าพเจ้านักข่าที่นี้ครั้งแล้ววงข้าพเจา้าได้สำหนดเจ็ดข้อแผ่พงพาใหญ่บนสีสันนักข่าแรกนี้เข้ามานะครับด้วยความอะไรอะเลือกสรรสถานดความชอบจใจให้ฤๅษีผู้นี้ไงครับก็เลยทำอย่างนั้น เขาถือว่าทาด้วยความชารกอะไรดีนะแต่พระเนี่ยลูปนี้มันหมาถึงมีกับัวคลเพราะความกลัวละนักคล้า้นั้นข้าวเจ้าจึงได้สูบขอต้นครับอผู้พี่ก็เลยบอกว่าท่านต้องการไม่นักขล้า้นมาหรือฤาษีน้องบอกว่าข้าวเจ้าต้องการไม่นักขล้า้นมาท่านเห็นนักขล้า้นไม่มีอะไรข้าวเจ้าเห็นมีแก้มวิรระดังที่พอผู้พี่ก็เลยแนะนำว่าถ้าเช่นนั้น ท่านจงขอแก้มนีแต่หน้าพราชนั้นว่าท่านจงให้แก้มณีท้าพระเจ้าต้องการแก้มนี้ทีนี้เขาพร้อมมีกแต่หน้าพระราขึ้นมาจากเมื่อนั้นพงคากรรมปกติเขาจะขึ้นมาปัญหาลูสีผู่น้องเขาได้ยืนหยุดอยู่หยุดอยู่หน้านี้สมควรส่วนข้างหนึ่งือสีผู้น้องก็ขอแก้วมณีเลยขอเลยขอท่านจงให้แก้ามณีแต่ท้าพระเจ้าท้าพระเจ้าต้องการแก้มนี้ มณีการฐานนัคขาละก็ไม่พอใจนะครับนั่นหมายว่าพิสุขอแก้มนีพิสุต้องการแก้มนีแล้วก็นี่ตักเลยครับนี่ตักเลยแม้ครั้งที่สองนะมณีการฐานนัคขาละขึ้นมาจากม่น้ำฮงครางครับฤาษีผู้น้องเห็นนะพญานานี้ขึ้นมาแต่ต่างนะครับไม่ยอมให้เข้ามาใกล้นะนี่ขอเลยนี่ขอแก้มนีเลยนะครับขอท่านสองท่าแก้มนีแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการแก้มนี มีเจตนาก็มีเจตนาว่าก็ลำพึงอยู่เลยว่าที่สุดขอแก้มีที่สุแก้ต้องการแก้มีครับพอครั้งที่สามเนี่ยแล้วครั้งที่สามหนักเลยนะแค่ว่ามันจะเจตนาช่าเนี่ยกําลังจะขึ้นจากเมื่อน้ำองคาพลังขึ้นนะโผล่หัวไม้เลยสุดแล้วก็ขอทันทีนะครับขอท่านจะให้แก้มีพระเจ้าต้องการแก้มี ทีนี้เทียน่าก็ทนไม่หวเลยขอจักขนาดก็เลยนะครับได้กราวตอบเป็นภาษาแตนิสีนั้นว่าข้าวน้นที่ดียิ่งมากหลายมันเกิดแก่ข้าพระเจ้าเพราะเห็นแห่งแก้มมณีดวงนี้ข้าพระเจ้าจะแห่งแก้มมณีนั้นแก่ท่านไม่ได้ถ้ามีคนขอจัดข้าพระเจ้าจะไม่มาสื่อมสมวนของท่านอีกแล้วท่านขอแก้มข้าพระเจ้าเทาให้ข้าพระเจ้าจะดุ่งกลัวดังคนหนุ่มถือดาบซึ่งรับดีแล้วบนหินลับ พระพเจ้าจะไม่ให้แก้ยังแต่ท่านท่านเป็นคนขอจักพระพุทธเจ้าจะไม่มาช่วอาคมข อ, ของท่านอีกหลายลนะครับมี้พญาน้าก็ไม่มาอีกเลยพอพญานาไม่มานะครับฤาษีผู้นั้นก็สู้ผอมหนักมากอีกพ่อไม่ได้เห็นพญ า, านะครับโอ้สู้ผอมอข้าหมองนะกาอีกหนักเหมือเดิมนะครับฤาษีผู้าาานี้ก็เลยเข้ามาถามท่านเคยบอกว่าที่เป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะว่าไม่ได้เห็นวันมีการถาน้าท่า ถ้ามันใจกันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปตอนแรกพ่อกลัวพญานาคในยสูบ ข, ของข้าหมอนะทีหลังเมื่อพญานาคไม่มาแล้วเนี่ยแล้วคิดถึงนะก็เลยพร้อมมา ต, ต่อการต่อขามโดยสีผู้พี่เล็กได้สายสีส่ผู้น้องมีปัญหาว่าบุคคลรู้ว่าสิ่งใดเป็นที่รักของเขาไม่ควรขอสิ่ง น, นั้นอันหนึ่งคนย่อมเป็นที่เกลียดชังเพราะขอจักนะ หน้าที่ถูกพาของแก้บุญี้จึงมม่มาให้วามนั้นเห็นเอเมอร์ดูความวิสุทธิ์ั้งหลายการวอนการขอไม่เป็นที่พอใจของสุนีลชายเหล่านั้นแล้วก็จะเปิดเก่าไปใหญ่ถึงหมู่มนุษย์เราาณะสุนีลชายนินลัวให้มันไม่พอใจเลยและไม่ต้องพูดถึงมนุษย์เลยแล้วเรื่องต่อมาเรื่องนอกของใหญ่นี้มีวิสุอยู่รูปหนึ่งท่านเขออาา้าไปอาศัยภัยสนแห่ ง, งนี้แทนภูเขาที่มาพาน และในที่ไม่แข็งจากไผ่สนนั้นมีหนองน้ําใหญ่อยู่นกขุ่งใหญ่นะเวลากลางวันก็จะไปหากินนะที่หนองน้ําเนี่ยและเวลากลางคืนก็กลับมาที่อางศพนะครับมาตรงที่พิสูจน์นั้นพะนับอยู่นะแล้วก็ส่งเสียงดังนครับผมว่าเครเมื่อก่อนที่บ้านผมนยนะมันจะมีต้นไผ่อยู่นครับข้างๆบ้านเกิดบ้านเลี่ยจะเป็นของอีกของป้าหลนนะ ที่กอไข่เนี่ยมันเป็นที่อยู่ของพวกนกเอี้ยงครับตอนเย็นมันจะบินมานะ่บินกลับมาเนี่ยโอ้ยเสียงดังนะครับไม่รู้คุยอะไรกันนะดางนี้หมัวข้อมาเป็นฝูงนะคะับเชี่วอะไรแล้วก็มาพักประจำที่นั่นดูแม่ไข่นะมันอยู่ที่อยู่แม่ไข่เกานอยู่แบบนั้นเนี่ยยังไม่ผ่านีนว่าเสียงดังนี้อ่าค่ะ กับพวกแม่คท้คุยกันเน่ยดักเห็นเลยทีนี้พิสูจน์แล้วก็ลังคาเสียงของนกกลุ่มนั้นนะพวกบรรจิบันไี่สะดวกแล้วนกเนี้ยมาส่งเสียงร้องดังไปเนี่ยก็เลยข้าไปหาพุทธเจ้านะครับเข้าหาพุทเจ้าพุทธองค์ก็ทรงมั่งายตาใสนะแล้วก็บอกว่ายังพอทำได้ยังพอคองได้พุทธเจ้าข้า ข้าพเจ้าเดินทางมาด้วยความลำบากเลน้อยและก็เล่าเรื่งใ้ฟังทั้งหมดที่เกิดขึ้นว่าท่านไมสดวกพราถูกนกพวกนี้นกอนนะครับพระจาเลยตัดว่าก็เธอต้องการจะไม่ในกอุนนั้นมาหรือถ้าพเจ้าต้องการไให้นกอุนนั้นมาพระพุทธเจ้าข่าพระเจ้าตัดว่าความี่สูดถ้าฉะนั้นเธอจงฝักไปในภสนนั้นเข้าสายเข้าอาศัยภัยสนนั้นแล้วในบรรทุนมัญแข็งรานตีจมประกาศสามครั้ง ว่าดังนี้แน่นกักผู้ใจะโดอยเที่งหมายยกเที่ยวหมายที่อาศัยในภัยสนนี้มีประมาณเท่าใดจงฟังเราเราต้องการคนยกทั้งหลายจะให้ขนแก่เรานกละห น, นึ่งขนเนี่ยแม่ในเมตสินไม่ ญ, ญาติประสิทัิ ญ, ญาณนะให้ขอเลยขอขนกก่นกพูกนี้เทัาสาอย่างนะครับพิจิตรนะก็กลับไปที่ภัยสนเดิมนะแล้วก็กทำตามที่พระองค์บอกครับขอขนมาพวกนกนะ ข้อคือข้อสามนะแต่ตรงแต่ตรงนี้เนี่ยที่นกองพอรู้เรื่องเพราะว่าอาศัยอาศัยพุทธานุภาพนครับครับพระพุทธมณาลน้องเข้มเองครับอันนี้พี่น้องรู้เรื่องแรกก็อาศัยพุทธานุภาพครับครับ ผู้ชมก็บรนดาได้น้อยฝสั่งทักฟังเรื่องครับทีนี้น้องนั้นั้นกัวนะครับครั้งน้องผูงนั้นสรางว่าที่สุดขอขนที่สุต้องการขนได้หลินประจากษ์ไพลนั้นได้หลินประยัางนั้นเทียวไม่กลับมาอีกนะโหเข็ดเลยนะนะสามร้อหกสิบสองครับเรียนสาเียนสามกินตั้งแต่น่าสามร้อหกสิบ ต่อไปยังมีเรื่องเรื่องรัชบาลกุลบุตร์บิดาของเรื่องใครมีมาแล้วบิดาของรัชบาลกุลบุตรได้กล่าวหารัชบาลกุลบุตรด้วยคาถาความว่าแบงนี้แน่เพราะรัชบาลเอก็บรักคนแอน ม, มากที่พากันมาขอเราเราไม่รู้จักฉนายเจ้าไม่ขอเรารัชบาลกุลบุตรได้กล่าวตอบบิดาด้วยคาถาความว่าแบบนี้คนผู้ขอย่อมไม่เป็นที่รักของผู้ถูกขอ ฝ่ายคนู้ถูกขอเมื่อไม่ให้ก็ยังเป็นที่รักของผู้ขอเพราะฉนั้นท้รารจ้าจึงไม่ขอท่านขออย่าให้ท้าเจ้าไปที่เจ็ดชังของท่านเ่ยดูควาทุกท่างหลายรัชบาลกรรบุร น, นั้นยังไม่กลาตอบอย่างนี้กับบิดาของตนแล้วก็จะเผยกล่าวไปใหญ่เล่าถึงคนอื่นต่อคนอนื่นึเป็นญาติแล้วก็จริงท้าขอหม่อย ก, ก็ไม่หวานกันนะครับ เนี้ยขอเนี้อขอเนีเ้อเจ้าจ่าตรันว่าบ่าวทั้งหลายเพราระเจ้สมบัติของขลิทานรวบรวมได้ยากแม้ได้มาแล้วก็ยังยากที่จะตามรักษาดูบ่าวโมฆะบุรุษทั้งหลายเมื่อเพราระเาะสมบัตินั้นอันพวกขลิทารวบรวมได้ยากแม้ขอได้มาแล้วก็ยังยากที่จะตามรักษาอย่างนีง้พวกเธอได้มีการบิน ม, มีการขอบ่อยครั้งหลายคราวแล้วว่าทั้งหลายจงให้คนและอันนี้กเหม ด้วงก็ซองติดเตียงแล้วก็เมียหาบุญที่มาคนยอเป็นที่เกิดสำคัญาองผข อ, ขอจัดนึงแต่ว่าถ้าให้ก็จะเป็นที่ล่างนะถ้าถ้ามาโนเปียของติดใช่ไหมครับผู้ใหย้ย่อมเป็นที่ล่างแต่ผู้ขอจัด ก, ก็เป็นที่เกียนผู้ให้ยอดเป็นที่ล่างนะสันไดนะผู้ที่ขอจัด ก, ก็เป็นที่เกียได้าใช่ไหม ขันกลัวเลยนะอันนี้ได้นันจึงเปนอย่าง่งนะครับทีนี้ท่าก น, น, นกาจะพูดถึงวิสีนะท้อก็มันจะสึีขาวบท น, นี้ขึ้นมาขัก่อนได้อธิบายสติไม่เข้าข้างนะครับว่าสติต้องหมายถึงสติที่มีการฉานนะคะรับฟากับหลังคาทีา่เชื่อมกันติดที่มีการฉานระหว่างฟ้ากับลังคาทีาาาชาาเชื่อมติด ก, กันอยู่บริเลยนะครับจะจะฉานที่พ่อภัยนอกหรือทีพ่อภายใ น, ในก็แล้วแต่ หรือฉาบฝังก็รล้ครับคือต้องเป็นบุติตลนนักษณะนี้ถึงจะเข้าในสิดฐานบทนี้นะครับถ้าไม่ใช่บุตริลักษณะ น, นี้ก็ไม่เป็นไรเพราะเราบอกว่าถึงแม้ประสาทเจ็ดชั้นนะแต่มีลังคาที่ไม่ได้ฉาบเชื่อมกันอย่างนั้นนะครับสะอาดลังคาไม่ได้ยากาธรรมดอานะแต่ประสาทเจ็ดชั้นนะครับก็ไม่ต้องอบบันตรายเข้าอย่านี้ครับไ่เป็นไร น, นี้เอาตามนี้จริงๆนะครับแล้วก็มันมีชอบภาพไว่มีใครเป็นชอบภาพาเลย จะเป็นข้หเรียร้องมูิธที่มีคนเป็นเจ้าค่าทําเองส่วนตัวนะครับทีนี้วิธีทำเป็นยังไงเขาบอกว่าตอนแรกนะครับให้พิสุออที่ต้องการจะสร้างบุดีนะครับเข้าประหาสงฆ์ข้ามศาสนาสงฆ์เฉียงบาปชาวพุทธหลายผู้แก่ภาษากว่าและนั่งประโยคปรนมือการอย่างนี้ว่าท่านเจ้าค่าข้าพเจ้าข้าจะสร้างบดีอาหาเจ้าของนี้ได้เฉพาะตนเอง เรื่องการขอเองท่านเจ้าข้าพระเจ้านั้นขอสงให้ตรวจดูพื้นที่ที่จะสร้างบุรีพึ่งขอแม่นที่สองขอแมานที่สาแล้วขอไปนะทีถ้าพระสงสาะจะไปดูพื้นที่ใดทั้งหมดเลยก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่สะดกไปทั้งหมดนะก็สมมุตินะครับที่สืบขึ้นมาครับ2อสามรูปก็ได้ของเราให้เป็นเส้นที่เปดูพื้นที่นะว่าสูควรที่จะสร้างบุรีต่างๆแต่ว่าท่านนั้นนะ ถ้าที่จะสร้างสติในสถานที่นั้นเนี่ยต้องให้เนียนน่ยหรือว่าโยมครับไปแหาหาคลวฐนะาาที่เรียบร้อยครับให้มันร่งเสียนเรียบร้อยก่อนนะไม่ใช่ทางพระสงไปนั้งที่ยวองร่องนั้นนะครับจะเขียให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เนีครับแล้วก็ค่อยให้พระสงฆ์ไปดูครับก็จะมีวิธีสมมุตินนะเจ้าหน้นที่จะเปดูสถานที่นี้ครับธรรมาวาจาขอสมมุติให้รู้จุดดูพื้นที่ อันนี้ใช้เป็นยึดถุอทุติยกรรมก็ได้ใช้เป็นอัปโลกนกรรมก็ได้และพเจนที่ก็จะไปดูนะถ้าบอกว่าท่าที่นั้นน่ะเป็นสถานที่มีผู้จองไว้มีสัตว์อยู่งนั้นมันการเบียเบียนสัตนะและก็ไม่มีช้างลอกเจ้าหน้าที่ก็ไม่อยากรับยาเพิงบอกว่าอยาสร้างลงในที่นี้ไม่ซ่าไม่แน่เปลี่ยนที่ไหนครับแต่ว่าท่าที่นั้นมันดีถูกต้องทุกอย่างนะ ไม่มีผู้จองไว้เขามีชานจะได้รอดก้อยที่สู่หลังนั้นนะครับกลับมาแจ้งสอกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ขออันเดอร์สองส่วนสมมุติแสดงพื้นที่ให้ถ้าบอกว่าถ้าสามารถทถําำตามตรงนั้นเข้ากองสงก็งไปเข้ากองสงใช่ไหมแล้วก็ส่วนตอนนั้นไปเลยส่วนสมมติแสดงพื้นที่สร้างฐานนั้นได้เลยนะครับแต่ถ้าไม่เข้าบระกันมาทำการสง ที่สุดลุนั้นก็ต้องเหมือนเดิมต้องมาขอสองทีท่านเจ้าข้าพระพเจ้าข้าใหสร้างรเรียนนะเจ้าของไม่ได้เฉพาะตนเองเรื่องการขอเอาเองที่น้องหลายข้าพเจ้านั้นขอสองให้แสดงพื้นที่เรียสร้างอยู่ดีครับก็ขอแลักสามครั้งนะแต่เมื่อวานจะขอสองให้แสดงพื้นที่เนี่ยตอนนี้ใช้แต่ยึดตริยกรรมรอยู่ถือว่าเป็นการที่หนน ะ, ะใช้ยึดตรีศกรรมเดีหรือใช้ตลกเนี่ย แต่หน้าที่ต่อนแรกพื้นที่อับประโลหหน้านั้นฉันจะมาดูพื้นที่นะครับตอนนี้ส่วนสมมุติพื้นที่เนี่ยตรงนี้ต้องเยติกรรมอยู่ครับยติทิฏฐิกรรมกับประโลหไม่น่าทีนี้อันนี้ก็ต้องทำหน้าที่กลับมาคือเรา้ไปทําอะไรตีมาใช่ใช่ครับพื้นทมาเขาไปดูแล้วครับหรือว่ามันเหมาะมาหน้าที่แล้วใช่ไหมครับก็ต้องกลับมาอ้ลูกที่จะสร้างเนี่ย ก็มาขอสองทีสามสามครั้งแล้วันส่งตัวเ่สวดกข้ามแสดงพื้ที่สันอยู่ตรงนี้นะแต่ถ้าที่นั้นไม่หมอะก็เราก็ไม่เอาใ้ไปจัดหาที่ใหม่ที่มันเหมาะเมะที่มาแอกส่งว่าเ็ครับฝางที่ไปทั้งหมดก็ได้ถ้าอุตสาหานะครับ หรือว่าจะส่งตัวแทนไปพร้สมิธเจ้หน้าที่ไปแล้วป็นอยู่ครับแต่ท่านจะมีบอกตรงนี้หมกสงสัยว่าที่เจ้าหน้าที่ไปดูพื้นที่เนี่ยถ้าไหนว่าที่มันเหมาะแล้วครับท่านบอกว่าสวยที่นั่นเลยก็ได้ครับสวยอะไรที่นั่นเลยก็ได้ถ้าเขางงนะคงส่งนะครับข้าวข้าวตรงนั้นเลยครับถ้าวเนี่ยทำด้วลักษณะนี้นะอาจจะมีการให้สั่ข้าวอยูก็ได้ก่อนที่ว่า ไปมาค่าคดีใช่ น, นหค้ครส่งตัวแทนสองรูปหงไปสมมติว่าวั น, นั้นทง้งวัดเาสมมติเป็นสีมาไมครับลูกอื่นไม่ได้ไปด้วยนะแต่มอบสาัาติในไ้ไปนะครับพอเขาไปปุ๊บเขาเจอานที่พี่สมควรเนี่ยเขาสารมาทำกรรมไดพอลกเหลือมอกสัญาตให้แล้นเป็นลักษณะนั้นได้ท่ากได้ไ อ๋อ่านนี้กลับมาอีกครั้หน้าเจ็ดิบปอธิบายกิติการาสิทธาบทพึงสร้าบอา ธ, าธิบายสำถามที่หกต่อไปในคําว่าสัญญากิการะปณะที่บวชด้วยด้วยการขอเองชื่อว่าการขอเองหมายถึงทําการอ้อนวอนขอที่ให้เป็นไปด้วยตนเองเพราะฉะนั้นคําว่าสัญญาสิการะ จึงมีความว่าการที่ตนมีนวอนขอขยายความว่าเ้ื่ออุปกรณ์ซื่อตนขอมาก็ในคํานี้ที่สูุจะขอจริงใจสินหนึ่งซึ่งมีเจ้าของโดยไม่ให้คืนไม่สมควรถ้าเขาไม่ใช่ญาติไม่ใชตัวนาจะมาขอเลยเอาไปเลยนี้ไม่ได้นะแต่จะยืมมาก่อนควรอยู่ที่สุจะขอในอบุรุษเพื่อเป็นพวกเพื่อช่วยทํางานได้ แต่ขอให้ช่วยขอให้ช่างนะครับช่วยทำก็ได้ขอแายบุรุษนั่นว่าช่อยขนช่วยกขอช่างฝีมือมาช่วยทำนะครับชื่อว่างานช่างได้แก่การงานที่ช่างไม้เป็นต้องจะต้องทํำจิตจดจองต่างขอแรงช่างนั้นว่าขอท่านจงให้ผู้ที่เป็นช่างหน่อยหรือว่าช่านจงให้ศิลกรรมหน่อยดังนี้ก็ใช้ได้ ตอนนี้ก็ต้องมีการขอตลอดนะเพราะไม่มีเจ้าภาพท่จะสร้างเองไขออะไรคนนะครับช่วยได้ชื่อว่ า, าตรรัติกมย่อมไม่ใช่วัตถุอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นที่สุดถุกถามก็ตามไม่ถกถามก็ตามว่ามาทำธุระอะไรขอเลยไม่ไดข้ขอได้ครับจะได้อย่างอางื่นอย่เงียบางทีก็เาเขาขอตองให้เขาถ้าม่ถึงขอเนะี่ยต้องร้อง แต่เช่นเราไปบิบะเนินผิดเวลาเนี่ยเาต้ตองการาบบานะ้ำมันมาระบบมาาบาคระนะถือว่าพลังบมบาศใหม่ๆเนะเราต้องการน้ำมันมาคาบาะจะไม่มีนะแล้วเราบิบธบะเลยีย่นธบะผิดเวลากลางตอนกันงวันเลยโยงก็จะรู้ว่าเนี่ยพระ ม, าม้าไม่ได้ต้องการอาหารบินธบ น, น, นะถ้าต้องการอย่างอื่นพอมา้าพุกเข้าจะถามเราพอถามล้วก็สามารถบอกได้ลักษณะต้อร้อยเข้าถามก่นกนกอนเพราะว่ามีพอ สมัยนี้ผมรู้สึกว่าที่ประเทศสีน้ำาลอ่าหนังสือนะถ้าดื่มวินาบาทสามวิลาตอนเช้าวินาบาทหากลางวันวินาบาทเที่ยงตอนเย็นวินาบาทาดอกไ ม, ม้ครับเนี่ยสามวลานะนี่เราคนไทยเนี่ยเขาถ้าเกินสี่โมงในกรุงเทพไม่น่าเขาจะจาเลยนะจำเลยถ้าไช้จำเลยเพร า, า, านนะสามโมงเ็นเวเนี่ยเมืนอไร้องไั่เกินนี้ครับ สายจนตายโอ้โหแต่ถ้ีเขาจะนั่งน้างิตรไม่เดินมิตนั่งไอ่านั่งไปอ้โหแก็ใส่ดูอ่ปนดีอ้โแต่ชอปัจจัยย่ำดครับครับนั่งไปกับขกที่นัโอ้ เรามาใส่ก็ใส่ไป <c oughs> ก็เหตุแห่งการขอส่วนพวกทางเนื้อเป็นต้นที่สุดไม่คนขอการงานเฉพาะกข่าวการล่างเนื้อเป็นต้นแต่ขอไม่ได้อ๋อเพรนั่นเป็นไานใช่ไหมเข้าไปล่าสารเดนมาเลี้ยงานที่เอาอะไรมาได้อะไรนะอะไรแก่งกวานหรือว่าเนื้อางอะไรเอามาเลียกขอรายงานช่วยทาเนห่อแล้วก็มาเลี้ยงงานกันนี้ไม่ได้ อันนี้บริการขอรถแท็กซี้เราจะได้ดูถ้าไปยากกระเป๋นาก็ขอมาได้หลาเงินที่เป็นสิ่งขอนะถ้่พูดถึงขอเกียนก็มีนะขอเกียนขอยืนเข้ามาครับและขอแม่โคลก็ได้ดังไม่มีแต่เกียนไม่มีคนลาได้ยังไงแม่โคละถึงคนไปยากของกระเป๋านาก็แล้วแต่นั้จะขอมาเลยไม่นดาได้แต่ขอยืนเท้านั้นครับ เพราะว่ า, าถ้อสเราจะรับประสกย์มานีไม่ได้เลยนะมันจะมีอันแบบทุกตกอยู่เจะเป็น เ, เรื่องของนิสสคีไปจีนะครับที่นจะพูดถึงวัตถุบัญญเป็นวัตถุไหนนิสสคี่ใชเงินทองใช่ไหมครับแต่วัตถุปา ญ, ญาคือว่าุเสลียงทุกตกรับมาไม่ได้ไ็นใช่พวกนะครับพวกโห จ, นนจกกันทรแต่วัตถุกขทามไม่ได้จะเป็นของยาตของพ่อของแม่เองก็ใมากไม่ได้แค่ความดีแบนั้ น, นะ แต่ว่าไม่มีหมาช้งไม่ัมจนจะมีช้ามากะไครับาที่ใช่แนนะ่ๆต่อไปนะรับอที่มาลักษณะกุฏินะ mm hmm. ชื่อว่ากุฏิได้แก่กุฏิในชนิดหนึ่งมีกุฏิที่บกฉากเป็นต้น mm hmm. บรรดากุฏิเหล่านั้นเว้นสถานที่ไม่ได้บกฉากมีเสาบางประตูบานหน้าตา่างและป่องความเป็นต้นกุฏิที่เอาคูณขาวหรือดินเหนียว บอกชากในสถานที่ต้องบอกชากใต้หลังคาติดกับฝานี่ครับถ้าเน้นตรงนี้นะสถานที่ต้องบอกชากใต้หลังคากับฝาเพื่อจะให้อหลังคาฝาเชื่อมเปนอนเดียเชื่อมเปันเดียกันในตรงนี้เนี่ยเป็นหล <S 1> <S 1> <S 1> ัชื่อว่าภุกิบงชาปูนเฉพาะภายในนะครับใต้คาติดกับฝาชาเฉพาะภายในนะครับบางท่านจะเรียก ว, ว่ากู ล, ลิานะตาภูฏิที่ชา ากุติที่บ่งชาบข้างนอกหลังชาอย่างนั้นเหมือนกันชื่อว่ากุติที่บ่งชาบเฉพาะภายในมีเรียกวอาวะลิตาชื่อฝังหนอนแล้วกุติที่บ่งชาบทั้งข้างในทั้งข้างนอกหลังคาอย่างนั้นชาบเลยข้างในก็ชาบแล้วก็ชามากเกินชื่อว่ากุติที่บ่งชาบทั้งภายในทั้งภายนอกอันนี้เรียได้ชื่อว่าปุลิตาวะลิตา ต้กุติลักษณะนี้เท่านั้นนะครับถ้ามันลักษณะนี้ก็จะตมองอามบัดในข้อนี้เช่นสมัยนี้ก็ต้องย่าในความจริงของนี้นะครับต้องย่าเนกันความว่าการยะมาในนะความว่าจะสร้างเองก็ตามจะสั่งให้ผู้อื่นสร้างก็ตามก็ไม่ได้เหมือนคำว่าอสสามิกรรมหมายถึงกุติที่ไม่มีทางยกให้สร้างหนึ่งเจ้าภาความว่าอสตุเตสังความว่ากุติส่วนตัว ขึ้นไปว่าจอบจงเพื่อตนคือกุฏิส่วนตัวเพราะเป็นกุฏิที่ตัวแสดงว่ากุฏินี้จะเป็นสถานที่อยู่ของเราคําว่าประมาณีการงานจะพาความว่าพึงสร้างานนาที่ได้ชนะตอบไปขึ้นแต่อธิบายถึงประมาณกุฏินะครับประมาณกุฏิคําว่าตรริยธามประมาณนั้น นี่เป็นประมาณอนคุตินั้นความว่าคุตินั้นมีขนาดเท่านี้ควาว่ากิทโสแปลว่าด้านยาในคมนี้ว่าถาว่าภาษาวิพัติโยศัพกาวิพัติยาชื่อว่าคือประสุพเท่ากับสามคืบของคนสัญญานปัจจุบันก็เทากับหนึ่งสอบเครื่องเนี่ด้วยสอบอช่างไม้เนเพราะว่าสอสองคืบเนี่ยแต่หนึ่งสอครับ ทีนี้สามคือพระราชาหนึ่งสนะ อ, องครึ่งนี่นะก็พิสู่เมื่อสวัดไม่เพิ่มมเอาที่สุดต้อนดินเหนียวใหญ่ที่ใส่ไว้เที่ยได้ข้างนอกฐานตุควรวัดส2สองคือเรอรอบของต้อนอิดนึ่งผ้าออกไหครับก่อนจะมีต้อนดินเหนียวก้อนใหญ่อยู่แล้วก็มีอิดถ้าจะให้นึ่งผ้าออกแล้วไม่ถึงบ้านดินครับ บ้านทึ้งเขาจะมีขาสองข้างเขาบ้านเทปูนนะแต่บ้านเขาจะเห็ใหญ่ๆมาวางอวานมันก็เป็นขาสอง้างเขาแลกดินเหนียวมาปอกก่อนี่จจาอีตมาเลี้ยน่นอีกทีผมเข้าใจว่าคงนัขนาดนั้นนะถ้าคุณผิดควรม่มีเอานเนี้วเอานำมาวางใชไครับไม่มีก็ทำทางทำอะไรไปเลยแต่ถ้ามันมันจะมี็่า่านนะประมาณนั้นนลยครับถ้าบอกว่าไม่มัดแต่ตรงกลอมดินเหนียใหญ่ไม่่า เพราะถ่าตอนมันเหนียมใหญ่มันก็จะวัดออกาเป็นกว้างนะครับที่วัดแต่ต้องอิดที่เขามาเียนะครับวัดข้างนอกนะครับ12คือเนี่ยที่วัดน่าจะเมื่อวาเนี่ยพหนึ่งคือวินเจ็ตเท่ากับ45เซนนะครับคือวัตถุดาษ12คือวัอถุดาษกเท่ากับ900เซนก็คือ9เมตรนะครับแม่แม่กี่เมในะแมกี่ ก็นี้ท่ทีนี้อันนี้คือด้านด้านใหญ่เลยครับว่าใ น, ะะานข้างนอกนอั่นอีกอถ้าวิสุทธมีความต้องการด้วยถ้าวิสุทไม่มีความต้องการด้วยก้อนอีกให้เสร็จด้วยการฉาบเพียงดินเหนีนยวก้อนใหญ่อย่างเดียวดินเหนียวใหญ่นั่นแหละเป็นเขตกาหนดนะครับบางที่ก็ไม่ใช้ก้อนอีกนี้เป็นยังไงนี่ก <c oughs> ็ใครเห็นนะ เขาทบ้านดินนะครับในประเทศลังกาอยู่แถบแถบอะไรนะแต่แถบปายแดนของประเทศลังการนะครับจะติดใกล้ๆเขา่านะคขาทบ้านนี้เขาไ่อำหงเขาเข้าข้างหลังเลยนะไม่มีอีกนะครับไม่ใช้ก้อออดินเหนียวมาทำข้างหลังเลยนะข้่อดินเยอแล้วก็มาปอกปอกใส่ปอกใส้วปั้งแล้วกบมันแน่นๆครับแต่เ้าจะมีแบบน้ไข่อนนะเมื่อที่เราใช้คาี่ลงนะครับ ทำเนีเนี่ยสอันแล้วพวกี้ยนล่อที่เป็นสาขานี่นแล้ว้่อยเคลื่อนไปจนนจา้มาเนี่ยมมีก้อนอื่นนะใส่เงี้เข้าไปเลยแล้วก็ทำไวมากนะครับทบบคนสองคนเนี่ยง่ายนะอันนั้นสะดวกสะดวกเลยอันนี้เป็นต้องอื่นก้อนอ่นอันนี้นะครับ ถา้าใช้คำอย่างนั้นก็ว่าตั้งแต่ก้อนหนีใหญ่ก็มีแค่นั้นคำว่าจี่ดียังแปลว่าย่างกว้างคำว่าสัตตมตระลาควาว่าไม่หมนเอาทั้งข้างในทั้งข้างนอกป่าประมาณเจ็ดคือเพื่พอฉพาะควรว่าในร่วมหอันนี้นะถ้าเป็นด้านกว้างหนคะครับให้วัดกว้างข้างหนนะในห้อง ดูตามภาพในฉบับผันอกสารใหม่ น, นะมนะอนมีความเขียนให้ใช่มามข้างล่า น, นด้านงานี่ยวัดข้างนอกนะครับจดสองคือประสุข้อนด้านกว้างก็วัดข้า ง, งานเจ็ดคือประสุขอนนะครับองา น, นี้เก็ดตัวนี้แม่นยิดหนึ่งนี้ไม่ได้เมื่อวานเจ็ดคือประสุข้อทอก่าห้าจุดยี่สิบห้านัห้าจุดยสิบห้านี้ น, น, น, นี่ อก็อในการวันนี้พ่สุจะลดด้านยาวเพิ่มด้านกว้างหรือลดด้านกว้างเพิ่มด้านยาวแม้เกินไปเพียงปลายให้ผมก็มไม่ได้ครับมันต้องไปว่าน้อยกว่าได้แต่ถ้าใหญ่กว่านั้นนิ่เดินไม่ได้เลยครับไม่ต้องพูดถึงแม้ในการเพิ่มทั้สองด้านอันนี้มจะเอาบาลนี้มาใช้ไม่ได้ครับมันต้อง <c oughs> เกินไม่ได้ใยแค่ด้านน้ส่วนกุฏิได้มีอ่า ทรง จ, นจนุมติไดด้านยาวมีตั้งห่งสี่สองโอ้ยาวมากเลยครับด้านกว้างเพียงสามสองนเป็นที่จมกลมหรือว่าทําเป็นครูหานก็ <c oughs> ไม่ไใช่จุมินะครับว่ต่อครูหานนั่นนะนะครับน่าลักษณะนะอันนี้นะครับด้านกว้างเพียงสามสอหรือสั้นกว่าสีสอนะบและจุมติไั้ไม่พอสําหรับการตับเตียงที่ด้านขนาดตําสุดไม่ถึงสี่สอง แสดงว่าถ้าไม่ถึงสีขออ่ข้อนะคงกลับติดใช่ไหมครกุฏินี้ไม่ถึงาการนะั้นว่าเป็นกุติเพราะฉะนั้นจึงใช้ได้ถ้าว่าด้านกว้านะแค่สาหรือว่าไม่ถึงสี่นะครับ น, นี้ด้านยาวจะยาวเท่าไหร่เขาล่าแต่เขามักเป็นธรรมดานะไม่ถึงากนะารแล้เป็นกุฏินี้ที่นีนอไปครับ คำว่ า, ท, า, ท, าที่ัวรพิเนตถานวิเยสนาเนี่ยนําที่ที่เขาหลายไปให้นแสดงที่ให้ความว่าพิสูต้องการจะสร้างมรรคในสถานที่ใดสถานที่นั้นต้องทความงฐานให้เรียบร้อยก็โยมหรือนนเนเนที่ยวฐานนะให้มีเรียบร้อยมันให้ล่องลอกนะแล้วก็ขอสงสารครัง้งโดยในพิธีกรรมไปแล้วในบทคาชีา ที่ตูดฝังมันเพียไปขอสองเลยนครับแล้วก็นำพิสุทธ์ทั้งหมดผสมทั้งหมดเลยหรือว่าตัวแทนนะครับสองสามรูปที่ได้สมมติแล้วจากสงไปยังสถานที่นั้นเพื่อแสดงที่ให้ไปในทีนี้แล้วก็ลงแล้วดูเพื่อว่าเป็นอย่างไรบ้าคําว่าเต็งพิสุทธิ์หวีวัตถุเทษเศษสัมภาระลำพังสัพปริกกมินทร์พิสุทธิ์เหล่านั้นใช่ไหม เป็นสถานที่ที่ไม่มีผู้จองไว้แล้วก็มีสารล่อชื่อว่าสถานที่มีอันตรายข้อเเ้นจะอันตราย13อย่างเช่นเป็นสถานที่อยู่ของพวกมดดำมดแดงเป็นต้นและข้อเว้งจกอันตราย6อย่างเช่นเป็นสถานที่ถูกพืนพันพัญญาหารเป็นต้นชื่อว่าเป็นสถานที่มีบริเวณเดิรอ บ, บ้นอ้นตรายนะครั ทีเนี้ท่านก็จะพูดนะครับที่มีพูดจองไว้นะไอ้มดแดงเป็นต้นอะไ่บ้างเป็นเครื่องสัยของมดของปลวกของหนูของงูของแมงป่องของตงะขาบครับเครื่อง่ายของข้าก็ของที่ท้านจารนะครับเป็นที่อยู่ประจำนคะครับที่อยู่เข้าเลยนี่อันนี้นี่ลลนพระพุทองค์ไม่ทรงสร้างเลยที่จะเป็นอย่างนี้นะครับ ก็เพ <t ères> uh, so ื่อฝังม <Ferrari World. S 2> ่ข้อในสามไม่เปลี่นเดี่ยวสาครับถ้ามีรรังเดียวตั้งโดางเล้เราแววันอะไรต่งบทอะไรกตั้งโดในลางมัอยู่ในีวนี่ะใช่ไลำวุนไม่ได้ต้องมีเลยอมี้ดเดี๋ยวเนี่ทงนี่เต้องต้องสร้างเป็นิลักษณะ้คือว่าจะสร้างตงนง มาจะที่นี่ยังกว้างมาจะที่อาจะที่ระวังหันก่อนาันาม่ได้ครับถ้าเกิดแล้าเขาสร้างมู่ทํางนี่เป็นนะเต็นบั้าแล้วเป็นบั้มแล้วเลี้ยงชีพเดียว ข้สร้าง้อมรณ์มากเลยทั่้อสร้งคอถ้าสติสองมีปัญหาหรกถ้าอันสติถ้ากุฏิเสือมตัวลักษณะนี้ก็ไม่ได้ม่ไ้ก็ให้สร้างที่ไ้หสร้างได้ครับได้ครับเราจะไมีอะมในข้อนี้ครับครับทำ่ีอรที่ท่านคืออย่าว่าสมหวัไง แค่ปุตต right. like, no right. ิส่วนตัวแต่ไม่สร้างลักษณะนี้ก็ม่เนเนี่ยลักษณะบ่งทางทางในภายนั่นะอย่ามลักษณะนี้ก็ไม่เป็นราพก็ไม่อ่านบัตรลจะไม่ต้องอ่านบรเลทั้งสี่กรณีนะทั้งสี่กรณีเลย เขาบอกว่า้อกมันก็้เป็นเรื่องหัปวดอยู่ดีครับวามที่ไม่ต้องโ้าที่เจริกันเาก็ต้องปรอัวอยู่ดี้อศีใหญ่ช่าก็พูดว่าแอคทิฟบาร์มตัดแน่ครับาเพราะว่าถ้าพิสูจนอหมายมุมด้วยยากข้างบนมุสีด้วยยากนะไม่มีการฉาเชื่อมกันนะครับถึงรักษาอะไรเนี้ยม่ใช่ไมใช่ม่ใช่อันนี้หมายถึงว่าฉาบและทีหนึ่งนะ และก็มี ญ, ญงยากซ้ำอีกทีอันนี้ก็ไม่พ้นนะครับมันก็เป็นเดิมแต่ถ้าเป็นบุตรญาตจริงหรายญาติจริงนั้นภาษาเจ็ดชั้นนี้ไม่เป็นครับท่านก็เลยถามว่าต้องในบุตรญาตนี้ไม่เป็นงานบัติข้อสงฆ์ไม่ได้แสดงที่ให้และคําร่วมประมาณเป็นปันจจัยเท่านั้นหรือว่าแม่ข้อมีผู้จองไว้และไม่มีมชั้นเป็นปันจจัยหรือไม่มจะไม่ต้องอาบัติทุกกรณีไหม หรือว่าพ่อปางกรณีทั้งหมดแต่ว่าให้เป็นอันบาปแม่ทุกๆกรณีทุกกรณีเลยครับไม่มีอันบาปเลยอันนี้น่ครับที่เดียรเดียนสั่งแรกเป็นอย่างนี้นะและที่เดียร์สุสั่เียรเดียนใหญ่เนี่ยเป็นที่ของราศีเสือโค้งเสือหรือหนีครับสุนัขป่านะอันนี้เอาแบบเอาหมาป่าไฮยีน่าฮ่าฮ่าาสุนัขป่าเป็นทะเลเราย เดือทางเพราะว่าแตมัเคี่ยวมันใช่ไหมเี่ยวโค่าใช่มันาะ่ะสัล้มหัวท่านก็ไม่ใช่ที่นี่นะครับเพราะว่าจะถูกสานีเบี่ยเบียนเป็นที่อยู่ที่หากินประจาพวกนี้นะไม่ใช่ครับเพราะว่าให้ถูกเบี้ยเียนนะ้้ายถึงมีหน้าครมีแล้วังเนี้มีหนานะฮะอย่างนี้นะครับแล้วก็บอกว่า แล้วก็ในที่ไหนนะมันจะมีที่หนึ่งนะครับอันนี้ที่มีศาลแล้วก็สถานที่ใต้นาใกล้ใต้นาใต้ตะแลงแกงนะครับอ่ที่เขาไปฆ่าโทษนะใกล้ที่สารมาต้องโทษใกล้สุสานใกล้สวนใกล้ที่หลวงใกล้ลงช้างใกล้ลงมาใกล้เงินจาใกล้ลงสุราใกล้ที่สุนอาสันะครับเป็นสถานที่ใกล้ถนนใกล้ของทางสี่แยก สถานที่ใกล้ชุมชนหรือเป็นสถานที่ที่เดินไปมานี้เชื่อศึกษาอันมีผู้จอรไวอันนี้ก็ไม่ควรพ่อไม่หมองไม่ควรเราบลานซ์ใจใกล้ๆที่ที่เขาฆ่าพ่อตอนนั้นอ่ะโอ้บรรยากาศนี้ไม่มีตัคอใช่ไหมตัดหา้ชีพเพราะว่าตะเวนพาตะเวนไปพุกตอกตอกคอใช่ไหมโกนหัวนะแล้วก็เทียนตีแบบ อพมไปถึงนี้นั่นก็าชีวิตนั้นแหละอะไรเป็นที่แบบไม่ไม่หมอนะครับบางที่ก็จะมีแาบคนพุกพลานนะผู้อพชุมาอะไร้ไร็ไม่เห ม, หมออาะสมก็ไม่ใั่ตรงนีก็ไปที่แว้นจากตรงนี้นะหมดเลยว่าจะอะไรว่าจะอะไรอันนีน้ที่ใกล้ทางเดินไปเดินมา ไปนะครับอ่าที่ชื่อว่าอถามแล้นะครับชื่อว่าเป็นสถานที่มีบริเวณโดยรอบเพราะอาจที่จะทําร้องข้างหนึ่งไว้ในที่น้ําตกจากชายชายทาร้องอีกข้างหนึ่งไว้ข้างนอกแล้วเวียนไปด้วยเปลี่ยนที่เทียมด้วยโพจทึบสองตัวหรือสี่ตัวได้อย่างนี้ เรียนสามมาเรียนเสบายที่ส่วนนั้นทั้งกำหนดสถานที่เช่นนี้แล้วถ้าวิสุทธ์มีพอครบงองสงไปครบพอดีนคะครับสามารถแสดงที่ให้ที่นั้นได้เลยจองที่นั้นได้เลยแต่ถ้าไม่พอควกวิสุทธ์ที่วิสุทธ์ผู้จะมาสร้างฤทธิพอมาควนกลับปไปก็กลับไปทั้งหมดแล้วนะไปที่ทรางฟังสงแล้วแสดงที่ให้ด้วยฤทธิ์ชุณหะกรรมมาจาร คนที่จะให้สร้างนะ้รก็ต้องขอให้สงสนำแสดงที่อีกครั้งนะสงก็จะสวดให้นี้คําว่าสารำเพเ จ, จะเป็นต้นคือมีสร้างตามในตรงชาถ้ามีผู้จองไว้ยงมีชาก็ก็ไม่ต้องสง น, นั่นหมายถึงไม่มีสีมาสมมุติไม่ได้แล้วสมมุติสีมาขึ้นมาใหมา่ ไม่ีสีมากึนมาหม่เลยจะยุ่งยากหน่อยนะก็ต้องทำก็ต้องทาแล้วก็ต้องใช้ถึงที่นะครับถ้รู้สึกว่าเกิยันถะาทำตุ่นอย่างเงี้ยขึ้นมาจริงนะอยากจะลองจากเขาวินัยว่าติดธรรมดาก็ไม่ได้รองอยาจะลองที่เมื่อต้องการทํากทำนก็ต้องใช้สิ่งที่ถูกผมมีสีมงศีมาเนี่ยมนมลท่าอะไรกันเอาให้หมดเลยถ้าอยากทำเนี่ยริงมันต้องมีวิธีด้่ยนะ จนยสมัยนี้ไม uh ่ค huh. yeah. mm. oh yeah. ่อยได้หรือขนานั้นหครับแค่รับเด็ที่รู้ว่าใ้เคลืยอนหมุนดเคลือนหมุนไดออะเต้าิที่เข้าฝ่ายตัวตัวใช่ไหมใช่ไมโอเคแล้วคนเขามีที่ว่าเคลือหมุนได้เครือนเดินเคลื่อนรองหน้ากครับแล้วก็มันฏิติทธิ์หลัมหนึ่งก็ี ต้อวนตัวต้อตัต้องมีต้แต่ว่ากิแกไม่ลักษณะนี้แกไม่ได้เชื่อมกันนะจาข้าังข้าไม่เชื่อมกันเลยม่เ่ากันครับะยเง่ากุจัอยู่ในส่วนตัวใช่มใ้องเป็นรอบใชไม่ใช่กุิสนตัวที่มีลักษณะที่ว่ามันันเด ไม่ได้ส่วนตัวเฉยๆนะถ้มีตากับนะวัาชพเชื่อติดกันและก็ให้จบแงที่ให้นะ่ยแค่ว่าขาถึงไม่เฉยนะไม่ต้องมีการมาสูบมาอะไรอย่างนี้พรามาลนะักษณะ น, นั้นสนับสนน ว่าไปขอสงฆ์สแล้วก็ขอนาสงฆทานั้นนัตอนสวดไมนตองโอ้ยส่วนใหญ่เนี่ยโดนไม่ไ้นารเลยเยี่ยเี่ไม่ได้นาตบเหวี่ยไม่มีวมรีบ่จะตบเหี่ยไม่นะครับ ต่อไปนะครับประแพท์อาบัตทีนี้ท่านจะมีฉายาเป็นอาบัตตอนไหนนะครับสินค้าตัวนี้เพื่อนรัก้าเจ้าทรงปาแล้วควดวิดสุชาเมืองอาราดีในเมืองอาราดีทรงบรรยันิด้วยแล้วเาตงคือขอให้เขาสร้างกุตรด้วยตนเองสินค้าตัวนี้เป็นอักษาพาระบัญยัต ไม่ทั่วไปในพิสมีพิสมีไม่มีครับเป็นสารติการชาวชานี้ก็เป็นใช้ถึง้าติก็ไปครับโดนหมเลยก็ไม่ได้ไม่ถวายส่งปเลยเดี๋ยวนี้าบาทจะบอกว่าไงถมายส่งไปเลยใช่ครับวบ้านก้สร้างแบบี่เนี่ยมันจะมีมีสองวิธีนะ ทุบทิ้งให้ลาดปเลยนั่นจะบอกข้าหน้าเราทุบทิ้นให้ลาดไปเลยหรือแม่งก็ถวายสองหรือให้นู่ก็สามบันไปถ้ามันในเรื่องของแม่ เห็นเหตุการณ์ี่บ้านี้อีทีหนึ่งกออาบาัตนะครับก้อนที่มีมันติทธิศักย์แรงเยอะเล้วมันเป็ น, นพวกแพร์อาบาัตตรงนี้ครับ <c oughs> ถ้าบอกว่าอ น, นิสานิสการ์ใช้ก็เป็นที่จุต้องอาบาัตทุกกดทุกทุกความพยายามเริ่มแต่การเข้าป่าเพื่อหาอุปกรณ์ด้วยคิดว่าจะสร้างอุปติเกินประมาณในสานที่สงไม่ได้แสดงที่ให้ แต่เราอยจะเข้าเ่าจไปไปไ น, นะแต่ระยะย่งเท้าไปนะครับแต่ทุกท่านตอนก็ต้อนลงอาบัตทีกก่กดเรื่นยๆตั้งแต่อะไรนั่นบอกว่าฐานพื้นที่ขุด ก, กวยดินว่าเป็นต้นวันว้าเ่อนี่ก็เป็นทุกข์กดเรื่อยๆแต่ว่าในฐาหน้าไหนที่จะเป็นแบบไปนี่ก็จะเป็นไปดีถ้าไปต่างไม่ตดหรือว่าขุดดินนี้ใช่ไหมครับก็จะไป แล้วกเป็นทุกกฎ อ, อีกไปเทียุกอนเพราะว่ามเป็นความพ ย, ยายามในทางสั้นสิทธิดลหหักษณะนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะทำทิตั้งจิตจะเคยรู้ไม่สกบรงครับเราเาไม่แอบสร้างแแตรงีเป็นหอให้หอมออกมาส่สี่บ้านด้ีถ้ามันไม่ได้ลักษณะที่ถูกต้องแล้วก็ส่งก็ม้ถ้าเกิดเาแอบสร้างเาไม่อ ั้าข้าตอนแรกนะถ้าอยู่ในวัดหนึงจะต้องเห็นสิจะไม่รู้เนี่ยข้าต้องเห็นนะผ้าตัดเขาดีต่างอะไรอ่างเง้ยเรมีอาการข้าถึงความจงส่งสงจันรถ้าเกิดจริงๆไเราพี่สงจักรมาได้ไยมผอยาส่งนินึงใจทำไปนี่มาถามสองคนหนักแจะได้แกต้องโดนตำหนินะแต่แต่ว่าถ้าไม่เป็นที่บุติ ทำไมมาเลยไมทหมครับนมี่เชียวแต่แบบขดนะไม่เอาเขาจก็บกชามก็บกชามจริงบกชามที่บอกด้วยปนฐานว่าดินเหนียวใช่หมครับขนาบกชามด้วยขี้วัวยัไม่เอาเลครับในนีกา็ไม่เอาเพราะว่าบกชามไม่ไบนี้คืออะไรครับ ปูย um, ังมีสิงคโปร์หูนสามแต่ว่าปูยงสิงคร์ได้คือผมนะครับตอฟังนะครับอันนี้เป็นแบบทกบไปเรื่อยี่ดูความยาาตั้งแต่เดือเข้ากเนในป่ทางปกครอนะจะมาสร้างที่เกิดมาบรรดาตัองอีกสองก้อนอันนี้นะถือว่าสร้างไปแล้วนะครับ เหลือแค่อีกสองก้อนเสร็จแล้วนะซึ่งจะต้องใสในเวลาเสร็จเมื่อใส่ก้องอีกก้องที่หนึ่งคือลองสุดท้ายนะครับต้องเอาแบนถึอใจนะคเพราะว่าถ้ากดมาเรื่อยนะครับตั้งแต่จังหวะคำนะฮะอันนี้มือนกล้เนี้ยต้องถือใจอ่าเพราะใส่ก้องอีกก้อนที่สองพรอง้อมทั้ฉากเข้าไปครับใสก้อสุดท้ายในก้อนฉากเชื่อมตันเลยที น, นี้ถ้าเป็นบุตรที่ไม่ได้สองแสดงที่ห่าง หรือเป็นจิตเกินประมาณตรณีใดกรณีนึ่งนะครับอันนี้ต้องมาสงฆ์พิเศษตัวเดียวต้องติดตัวสองตัวสงการทีเสร็จก็เพราะว่าอันใดอันหนึ่งไม่ได้สองแสดงที่ให้ว่าเกินประมาณัุกขอ้เอเพราะว่าอะไรมีสักน้อหนึ่งนะครับแก็ไม่มีข้างนอกจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าบอกว่ามีนั่นในในในธรรมชาติอธิบายซูว่าคนนี้เขาเขาจะไม่เสร็จนะครับแล้วอีกไม่ก้อนหนึ่งไม่เสร็จแห้ หาอ้ไอย่างนั้นแหละบางทียัไม่ต้องไม่ต้องงานดีเสร็จใช่ไหมครับอีกลูกมันเข้ามาเห็นข้าว่ากุฏิเนี่ยทำไม่ดีไม่เสร็จอะไรนี่ข้าก็ช่วยเอาต้อใส่ให้แล้วก็ฉาดอ่าีครับด้วมุ่งวันนะมันก็เป็นกุิอะไรของผ้าเนตรอะไรแหละไม่มุ่งวนันอหไทําไม่ดีข้าก็เอาต้อใส่แล้วก็ฉาดไม่ไม่เป็นอาบัติพ่อคนนั้นเนี่ยนนข้าก็ไม่ได้ฉาด ให้ค้ะใส่ถูกไหมครับเข้ามาเห็นก็ใส่ทำให้เสนะครับเพราะว่าถ้าเหลืออีกก้อนสุดท้ายรูปนั้าจะไม่ทไม่เสร็จเนี่ยพถ้าเสร็จรู้ว่าจะเป็นแบบมันเสร็จนะครับท้ามจนเหลือไว้อีกก้อนเหลืีก้อนหนึ่อีรูปมันเห็นข้งนะครับว่ากุตรนี้เท่านี้ไม่เสร็จทำไม่ดีนะครับก็เลยเชื่อก้อนสุดท้ายใส่ห้ก็ทำให้เสร็จเลยใช่ เขาาลงมือ่ไม่ได้ลต้กบอเยอาอางนอ่กันยุ่เหยิงแล้วเราก็ไมอยมันขาดนะ้อเยอะนอ่าเก่งอ่เกงรมาะีีาอันนี้นะมันมันคือนอกแบงค์นไม่มีเินแบบนะมแล้วก็รู้ที่ฉาดเาพูดถึงเฉาะอครับผมว่าแค่พในแบงค์พอนะ ความทนก็ไม่ได้ว่าหม่ผมก็่รู้จะว่าอย่างนี้ค่ะอ่าโอ้ยังยังยังจตรงนี้ก่อนถ้ารู้กันเอาอย่างนี้ดีกว่าเราไม่ต้องสร้างเองเนี่ยเดี๋ยวจะมีอนาคต generation นะครับอันนี้สาม ถ้าคุณแต่นาบัมินิไม่ถิ่นนะอันนี้แปลว่าพ่อสร้างตนเองครับผมก็ทํานี่จะเรียกอาบัานะผมก็สร้างองพ่อสร้าวุทธผมพ่อส า, างก็สร้า ง, ส า, รางผมอันนี้ไม่ได้สร้างันเองไม่เป็นอาบานที่แปลแบบเพรว่าสร้างเพื่อตนเองครับใช้วิธีแบบนี้ไปเล ย, ย, ย <laughs> สร้างมันก็ประมาณอะไรนะนี้มีประกาีอะไรขนาดนั้นนะครับ น, นะสร้างมันเป็นคนหลังเลย สบายบอกว่าผู้ติดที่ทำผิดทั้งสองอย่างต้องบัตรทพิเศษสองตัวนะครับต้องเอาบัตรที่กดสองตัวแต่ถ้าไม่ได้ติดบานประตูหรือบานหน้าต่างในบางที่เขาแปลว่าก่อประตูหน้าต่างวงกลมนะวงกประตูหน้าต่างนะครับถ้ายังไม่ได้ติดนะเข้าไปบกฉากทำอีกอินก่อน บอกด้วยดินเหนียวเลยครับเมื่อติดบานประตูและหน้าต่างบางประตูแลาต่างก็มาใส่หลังนะครับเมื่อติดบานประตูและบานหน้าต่างเสร็จแล้วยังไม้นี่มันจะมีตัวว่าคำว่ายังไม่นะคังไม่บอกให้เชื่อมกันที่กรอบประตูหรือหน้าต่างนั้นนี่ก็ตกไปครับที่กรอบประตูหน้าต่างนั้นยังไม่ต้องบัทํางานดิเศษคือที่ยื่นบอกใช้เร้ยบร้อยนะ มันเหลือตร้อะไตรงขอบประตูหน้าต่างอะไรถ้าก็ใส่เข้าไปแตนน่ยังไม่ได้ฉาไม่เชื่อนครับยังไม่เต็มครับเมื่อพิสจจะฉากซ้ำอีั่ก็ฉาให้มติกกันนะพอเชื่อมกันต้อบสัรถ้าประตูและหน้าต่างนะั้นถูกติดตั้งเชื่อมกันเพราะการใส่คาไว้คำแ้กแล้วก็ประตูหน้าต่างมันตั้งม้นก็ฉากเลยทีเดียใช่ ไม่ต้อทำหลายครันะครับอันนี้พอฉาบเชื่อมกันหมดแล้วก็ต้องตั้งบันาดีเสรตั้งแต่ได้ทีมพมันก็จะเสร็จไปเลยที่สุดสร้างบุติในที่มีอันตรายต้องอันบัตทุกเกานไอที่ว่ามีมสั่งอยู่ที่นะสร้างในบริเวณที่ไม่มีสร้างในที่ไม่มีบริเวณก็ต้องบัตทุกเกาะเหมือนะันีรียกทุกเกานะอันนี้ได้เหรอ ต่อนนี้มีมีผู้ข้าราชการให้ผมจะสรุปให้ครับสุภาษณ์ตรงความสิดบายอันจะมีกรณ์นะครับจรว่าถ้าเราสร้างเองหรือว่าสั่งหเอาเอาคนสร้างเองก่อนนะครับถ้าสร้างเองจนเสร็จเลยอันนี้ต้องบัตรการกรณีทุกอย่างหนึครับถ้าทำติดก็ต้อง ครับสร้างทํางี้ยสี่อย่างก็ถึงเสี่อย่างเลยทีนี้ถ้าเราสั่งให้เขาสร้างให้เราสั่งให้สร้างเราแต่เราไม่ได้กำหนดว่าขนาดเนยอะไรยังไม่ได้บอกแต่บอกเขาสร้างตักันเราหน่อยครับอันนี้ต้องอําบัตรตามกรีที่เขาสร้างให้เหมือนกันเราไม่ได้กำหนดว่าให้เขาสร้างยไงเขาสร้างผิดยังไงเราบผู้สั่งก็ต้องอันบัตรตามเหมือนกันเพาะไม่ได้กำหนดเขาบอกให้สร้างเดียวนะแล้วก็สาม ถ้าให้เสร้างาถูกต้องอเลยนะบอกคุณคุณได้สงแสดงที่ยงก่อนนะตอนนักขณานนี้มันรียันตรามีชันออกนะครับแต่ว่าคนที่เราสั่งเนะี่ยเไม่ไม่ฟังหอกนะครับเราสั่งใหามันต้องไปที่เห็นใช่ไหมครับเพื่อกลับมาคงอยู่ได้สามันผวินัยที่เด่นนะแต่แก่ทาผิดคําสั่งครับอันนี้ยิสูที่รู้ข่าวนะรู้ข่าวแล้วเขาทำเจ๊เลยผิดคําสั่งนะครับต้องกลับไปบอกทุกคนต้องกลับไปบอกเลย หรือว่าส่งพูดถ้าไม่ยอมไปบอกอันนี้ก็ต้องบังบอกกนแต่ไม่ถึงขั้นเสร็จแล้วนะเพราะว่าท่สาสั่และท่าทํางนี้ถึงต้องนะครับเขาขืนเป็นความผิดเองแต่เมื่อรู้แล้วก็ต้องส่งคนไปบอกมีบอกเขาถ้าไมบอกต้องบังบอกทีนี้กรณีที่สี่ครับสั่งสร้างนะเราจะให้เข้าสร้างนะครับแต่เขาทาผิดทาผิดขั้นตอน ทำอีกขั้นตอนแต่ว่ายังไม่เสร็จดีนะครับแต่ยังค้างอยู่ไม่ที่สุดอื่นหรือไม่หรือเสียเราะว่าเราสร้ให้ก็สร้างนะรสร้างมาเลยทีนี้นะครับเขาก็สร้างผิดผิดจากลักษณะที่ว่ามานะเราังทํำยังไงครับ mm hmm. ทั้งท้องค้งยังไม่เสร็จดีเลยนะคือถ้าเราในตอนที่เราสร้างมันไม่ได้กำหนดนะครับถ้าเราทำปีนี้สำเร็จเนี่ยเราว่ามันตางตรงี แต่นี่ลายนี้มันไในถึงกั้นจริงเถ้าทำผิดนะครับแต่ก็ยังทําไม่เสร็จเลยมันก็ยังไม่ดะะีใช่ไหมครับในตอนที่ความำยังไม่เสร็จเนี่ยแล้วเราก็กลับมาเจอพอดีแล้วเราจะทำยังไงครับมันก็กรอบมันก็อะไรเรียบร้อยแล้วนะีมันเสร็จหลายทีใช่ไหมครับแต่มันยังไม่เสร็จดีะคระับถ้าบอกว่าย่อมที่สื่ออื่นไปเลยนะครับย่อมที่สื่ออื่นนะครับหรือบุคคลอื่นไปหรือก็หรือเสียะครับหรือแบบทุกขให้ร่างเป็นแน่งกอง น, นะครับ พวกอย่างนันนะครับแบบไม่ไม่เหลือหน้าผานะครับทุกขนาดนั้นเลยได้สองวิธีครับอันท้ายว่าถ้าเห็ค้าแล้วก็ทําต่อจนสำเร็จก็ต้องปฏบัติตามกรณีนะครับอันสุดท้ายเนี่ยสั่งสร้างถูกต้องนะครับสั่งสร้างถูกต้องทุกอย่างเราบอกงนี้แต่คนที่สร้างให้เนี่ยทําให้ผิดนะครับคนต้องปฏิบัติผู้กดนะตามกรณี ที่ทำแต่คนที่สร้างผิดครรมไอ้คนสร้างก็ต้องมาทุกกดนะครับพนเราบอกเขาะอะไรนะถ้าเย่างีคือี่สร้างผิดให่ได้นะก็ะต้องถูกกดนะครับอันนี้ครุป <c oughs> ะนะ ย่าหรือเรือนที่มุงมือใบไม้พวกนี้จะไม่ไม่เป็นอาบัตในข้อนี้เลยไม่เป็นเ ร, รนื่องกรณีนะถ้าบอกว่าถ้ำนี่ก็ไม่เป็นเพราะว่าในท่ำเนี่ยไม่สามารถที่จะโอกชาเช่นมติดต่อกันได้แล้วครูหาเนี่ยต่างจากถ้ำนะครับถ้ำมันธรรมช า, าติแล้ววปุงแต่หน้าแต่ครูหานี่เข้าไปก่อนทีนไหน จะเป็นครูหาศิคูหาศีลาคูหามากคูหาลินก็แล้วแต่แม้ให่อย่างก็ไม่เป็นธรรมันียอาจจะไม่ค่เจอแค่ครูหาเขางไม่มีอะไรนะับคูหาเพื่คูหาได้นเองอ๋อมัน็รี่ดหย้าเยกาครูหาเล้ก็มือนว็เป็นตัวอ เรีสูงปีาเรียข้างซันรอแล้วก็เนี่ยที่บอกว่าภาษาแม่เจดชั้นแต่ว่ามุ้งหลัคาไม่ยากก้อยเชื่อกุติยากอะไรนะครับไม่เป็นอาบัติเหมนกันมู่ให้กระเบื้องครอบฟ้าของหลังคาังคาต้องเชื่อมกันีให้สร้างกุติเพื่อเป็นที่อยู่ของที่สุเอ่น ก็คืออาจารย์อุปชาฤิศเราไม่ไดสร้างเป็นเองเราสร้างคนอื่ น, นไม่ต้องอาบัตนะครับพรเพราะคนบสถ์เทสังนั่งจ้าของเพื่อนต้นนะครับ <c oughs> ถ้าสร้างคนอื่นคือ่ได้ถ้าสร้างเพื่อใช้เป็นโรงโบสถเป็นต้นอันไม่ใช่สถานที่อยู่สำหรับต้นนะครับเราแม้สร้างที่เพื่ อ, ตอนต้นสร้างเป็นโบสถ์เป็นหอฉันเป็นวิหารนนะเป็นศาลาอะไร็แล้แต่นี่ไม่โดนครับ แต่นั่นก็ถามขึ้นมาว่าอ้าวถ้ามีรูปเงินเขาคิดใ น, นใจอย่านี้นะผมจะสร้างเป็นโบสถ์ด้วยเดี๋ยผมก็จะเข้าไปอยู่ด้วย <c oughs> อาจะทางมุมไม่ต้องมุมเหมือนที่จเดินเดีเข้าไปอยู่ด้วยครับจะสร้างเป็นหอฉันเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปอยู่ด้วยนะและอย่างนี้จะเป็นอาบัติหรือเปล่าทนายแรกเขาบอกว่าอะไนะครับแม้เมื่อให้ส ร, าสตรต้างโรงโบสถจตนต้นด้วยความคิดอย่างนั้ น, นะอันนี้ก็เป็นอาบัติแท้เป็นอาบัติเหมือนกัน แต่ว่าในมหาปัจจ리ท่า้กล่าวว่าไม่เป็นอาบัต น, นะครับไม่เป็นแล้วกล่าวว่าเป็นอาบัตแก่ที่สุดผู้สร้างเพื่อประโยชน์แก่เรืองเป็นที่อยูของตนเท่านั้นนะครับถ้าี่ยอันนี้นั้นก็ยังไม่เป็นต้องจอบ จ, บจบงเพื่อตนเองนะครับเอาอาต้ามีปีปมหาปัจจ리นะครับสีน่นี้ต่อไปนะครับ ถ้าสร้างเพื่อใช้เปินที่บ้นเลยบอกที่สูบ้านเป็นต้นนี่ก็ไม่ต้องหาการลุ้นและมืสิคาตัวนี้จะเป็นสี่ล้านบาทองอบาทสิคะวันนี้มีองคหกหรือเจ็ดคือหนึ่งเป็นบุติที่บอกชาวด้านในเพราะว่าด้านในต่อไปนะครับด้านในเป็นต้นอย่างใดอย่างหนึ่งออสองชั่วาฟาหลังคานะักเชื่อแบบ น, นี้นะครับ สองได้ขนานอย่างต่ำที่ที่ทําให้ต้องอามบาัตคือกว้างสี่สองไปนะครับขนาดกว้างสี่สองเกินประมาณนะย า, นะยาวน้านยาวไม่เกินสิบสองช่ไหมครับ 42, สิบสองคพื้นพ้ด้านกว้างก็ไม่ไม่กว้าง ก, าน ก, านกานันเจ็ดพื้นนนะครับอืแต่นี่เกินเกินประมาณนะนั่นดนสามสร้างในพื้นที่ทสงไม่ได้แสดงที่ให้ตรงเนี้ยต้องพิธาดิเศษนะครับหนึ่งตัว สี่สร้างเจอประมาณนี้ก็สัาริเศษตัวห้าสร้างสมดุลต้องมีข้อนี้ด้วยนะสร้างเสมดุลนนะครับห่องใช้ในสถานที่อยู่ก็สร้างที่อยู่เจ็ดบ่งฉากติดต่อกันเมื่อพบองเจ็ดนี้ก็ตาองทบัตรนะสังหาิเศในศิษยาบนี้ที่จะบอกว่ามีองค์หองหรือองค์เจ็ดเป็นยังไงหมายเพราะว่าไอข้อสข้อสามองข้อสี่นะครับราบจะติดแค่กรณีเียอได้ ข้อสาสร้างพื้นที่วิสสงม่ไดแสดงที่ให้บางรก็ผิดแค่กรณีนี้นะครับแต่ว่าไม่เกิดประมาณแล้วก็จะมีองค์แค่หกใช่ไหมครับบางขั้นให้สองแสดงที่ให้แล้วแต่เกิดประมาณนีครับมันก็จะมองค์แค่หกแต่ถ้าใครทำผิดแล้องสองประทงเลยก็จะเรียกชื่อว่ามีองค์เจ็ดนะครับสิขาวันนี้มีสมุทรฐานหกสมุทรฐานหกเป็นกิริยาต้องพ่อกระทับ อย่างนะสุดขั้วหมดเลยนะครับจะรู้ไม่รู้ก็แนลนะ้วแต่ถ้าทำํำจนประมาณปแล้วเนี่ยโดยหมดเลยนะครับเป็นกิริยาต้องพ่อธรรมและเป็นกิริยากิริยาต้องพ่อทำและไม่รทำเป็นยังไงท่านบอกด้วยว่าพิสุทธิสงแสดงที่ให้ก่อนแนละ้วสร้างบุติเติมประมาณชื่ออานบัตรชื่อว่าเกิดขึ้นพ่อกระทำนะครับไล่สงเสริญที่เรียบร้อยนะแต่เวลาไปทาจริงทําเกิมประมาณ ก็คือว่าต้องพักแต่เมื่อไม่ส่งแสดงที่ให้นะไม่ได้สงแสดงที่ให้สร้างกัติเลยไม่ส่งแสดงที่ให้ด้วยสร้างเดินประมาณด้วยอันนี้อ่านบัตรเกิดขึ้นเพราะทำไม่เป็นธรรมเพราะทำอะไรครับทําการสร้างเดินประมาณไม่ทําอะไรไม่ให้ส่งแสดงที่ให้ก่อนก็เลยว่าเป็นกิริยากิริยาได้ที่เหลือในสึกขาอันนี้เป็นเช่นเดียวกับสันจริตตัสิกษาบทแรก การเป็นนตาเนี่ยมีสมุดถามมาครับข้อชักสื่อข้อชักสิกหกนะครับโดยหมดเลยนะเพราะว่ากายวาจากายวาจาเนี่ยมีจิตนะไม่มีจิตเนี่ยเราไม่ได้ตั้งเป็นให้เกินประมาณแต่ไปว่าอีกชาติไหนมักจะเกินประมาณครับเพื่อนจิตนะโดนนะครับ ไม่หรื้ไหนนอนเพราะว่าเป็นอจิตกานะครับถ้ารู้ท่องรู้ตั้งจะให้เจอเป็ะมาในก็โดนด้วยกายนะครกายก็โดนะล้วเองสมฤทธานะครับด้วยวาจาสั่งเขาทำครับเนี่ยก็โดนเหมือนกันทั้งกายและวาจาก็โดน